ก็ชินกับการที่ว่าเ อ, อเกียร์ใจต่งางเขาเกียร์ใจพิถีเขาเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นหัวหน้าพญาคติส่วนไอตัวคนที่เป็นอาจารย์ว่าฉันเป็นอาจารย์ฉันเป็นหัวหน้าฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้นไม่มีอะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันทํางาน ก็ผักดันออกมาให้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็แค่นั้นไม่ได้พิสดารอะไรไม่ได้พิสดารเป็นธรรมะล้วนๆนะครับที่เป็นไป